ใครมี อ, อะไ ร, นะรมั้งทางนี้ทางรู้เรื่องวัาแบบรู้บางไว้รู้บางไปดูเขาไม่ได้เกิดในาศาสนาก็ายังมาบวชได้นาเกิดใ น, ในาศนาสนาไม่เห็นตปนฆ่าของศาสนามีอะไรบนะ้าเชื่อเชื่อเป็นคนไยเลยวนะ I have some Thai o k o t the books a e a y b e e b y e e ช่วงนี้เราทำงาน่บ้านบ้างแล้วก็สมาธิ่มคอยนั่งนานลานังสมาธอยากถามอาจารย์ว่าเวลาที่นั่งแล้จารยเห็ว่าลมหาใจเนี่ยเหมือนมันชัมันขึ้นแนวเดีวอย่างนี้ค่ะมันต้อไปสนใจมันให้อยู่ที่ปลายจมูกก็พอให้รู้ว่ามันเข้ามันออกใช่ไห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 ไม ว, ออวต้องวางจิตให้ให้นั่นคือให้วางจิตอยู่ที่ลมให้รู้เฉยๆให้จิตหยุดคิดอย่าคิดที่ไหนให้มีอะไรเศ้าดูพุกโธก็ได้ถ้าใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธทำเดียวการ้ดีค่เฉยๆเหมือนนี ก็นิ่งก็เปไม่นิ่งไปนั่งสมาธิก็เพื่อให้มันนิ่งหมันมนิ่งนานๆถ้ามันนิ่งแบบมีความสุขได้ยังดีตอนนี้นิ่งยังไม่สุขเริ่มเริ่มจะเหมือนว่าไม่ไม่เค่อนตัอ่เ่อนรู้สบายสบายเออใ่ไม พยาไมา่อยู่เป็นศุขอยู่เฉยเป็นศุขแล้วใช่ได้แล้วเป้าหมายก็คือให้ใ ห, ให้ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็มีความสุขได้ไ ม, ไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีทีวีไม่ต้องมีอะไรให้อยู่ที่เฉ ย, ยมีความสุก็จบแล้วเนี่ยที่ปฏิบัตินี้ก็เพื่อตัดทิเลตัดความอยากต่างๆไปอยู่เป็นโยธางวันที่สี่ขนเขรู้สึกอารมณ์ปกติจะดี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 อะไรวิแก้เมืนให้พุทโทแก้าหมืก็ได้ถ้ามันคิดก็พุทธโทรพุทธโทรก็เสียเงินไปบ้างก็ได้ดูอาการสาอยู่สองไปก็ได้ผมนขนเล็กหนังเนื้อเอ็น ก, ะกระโดดเยื่อในกระดูดมากหัวใจตับั้องถูดตายปอดใช้ใหญ่ไช้ น, น้อ่องไปก่อนก็ได้ลองชไปก่อนอันนี้ก็คือนูกแบบี้ต้องทํหนึ่งทำสิบลายจุ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 กิเลไม่ใช่พราะเดินเพราะกิเลยเรามาก่อนแล้วคิวแล้วอยากจะกินนู่นกินนี่นะควาริงก็สติกับสมาธิแต่ละคนเนี่ยมันตัวอะไรมันเด่นอกกันว่ามันชุอ๋อไม่สมาธิมันมาเกิดจากสติสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลถ้าเราเจริญสติแล้วสมาธิอ่ามันก็จะมาแต่ต้องนั่งนะแค่ น, นี้ มันถ้าไม่นั่งมันจะมาช้ากว่ามายากกว่าถ้านั่งมันจะมาง่ายกว่าเดินจังกงนีม่มันก็มีสมาธิได้เหมือนกันแต่มันยากกว่ายากกว่านั่งหือห <c oughs> รือคำสั่งเลยหรือเจลสติกไรเงี้งทีแบบนั่มันไม่ช้าก็แบบอยู่ที่บบว่าตะแคงงย ก, กวก็อะไรอย่างเงี้ยใช้ใช้ได้ได้ ถ, ถ้าไม่ไมคิดถ้าไม่คิดก็ได้ เราคิดก็ไม่ได้จะไปดูอะไรอย่างี้เอถ้ามันมีอะไรทาก็ได้เหลายยช่วงวเหอเหมือนจิตอะเลมบอกนเื่ออะไรอย่างี้แบบคือเหมือนยายาอย่าไปเชื่อมันเลยก็ทําแต่ว่าเหมือนถ้าทารูปแบบเดียวก็บอกพระพุทธเจ้าคูบาจารย์เองท่านเบ่เลย จะเชื่อใครเชื่อกิเลสก็เชื่อครูบาอาจารย์ก็เชื่อพระพุทธเจ้าความันจะตายภาวนาที่สนุกจะตายถ้าท่านภาวนาทุกวั น, ท, วนทั้งวันทั้งคืนท่านสนุกของท่านเรากลับไปเบื่อให้เบืเอ่อไมทภาวนา ต้องเรื่องถึงาพระพุทธเจ้ามนเรื่อถึงครูบาอาจารย์ทำไมชาบเรื่ถึงแต่กิเลสเนะี่ยเวลากิเลสมันโผล่กัมาก็ต้องเอาพระพุทธเจ้าขึ้นมาสู้เราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นศิษย์กิเลยมันไม่ฟังกิเลย <c oughs> อย่างนี้ไม่ชนะมันนะถ้าเชื่อมันกะจบเชื่อมันก็ก มันก็เอาไปใช้เลยเวลาดูทีวีนี่มันลเกนเดี๋ยว่าจะดีเล่นเกมโรศัพท์นี่หตาแจ้งเพราะวนากันมันนี้เป็นอย่างนี้พีเล่ดมอกงเราง่ายมากวาจ่าเจะตัดมันต้องสกยมันอย่าไปทำตามมันทู้มันต้องใหามันเป็นฆ่าศึกของเราทำตามี่เล่ยก็เท่ากับให้มันมาฆ่าเรา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 เรก็ดูลงไปถึงฟันเขาเลยว่าเอออายุ37ฟันร่วงไปแล้วซี่นึงตอนนี้42กำลังปวดข้างเพราะว่า น, นี้อ <ừ> แล้วทีนี้การเคี้ยวอาหารามันก็จะบุกรองแล้วนะเราก็ดูลงไปถึงลำไส้แล้วก็แล้วมันก็สบายเบาแล้วมันก็มีความสุขกระดัวงำไส้ <ừ> อะอก็ดีค่ะ<ๆ>แต่ทีนี้หนาก็รู้สึกว่ารมหายใจของว่าเข้าสัา้นออกสั้น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 ใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติุดสติหยุดความคิดปุงแต่ปัญญาไม่มีมันอไม่คิดถึงฝ่ายนอกใจก็เรีย็นสบายชุบอยู่ในตัวแล้เป็นการทําสมาธิแล้วก็ทําปัญญาควบคู่ไปด้วยแล้วยังงี้หนูไม่มั่วไม่มั่วได้ทั้งปัญญาได้ทั้งสมาธิได้รวมกันเหรอคะ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 แต่มีสมีค่ะแต่หนูรู้สึกว่ากามลดราดูของเข้าบ้างแต่ว่าทำไงได้หนูมีสามีก็ทำไงได้ก็ดูไปสิค่ะก็ดูจะได้เรี้ยงเขาได้ก็ถก็ดูเขาด้วยนะดูเราด้วยเป็นรสคู่ก็ดูเขาถึงมาถึงจะปล่อยเขาได้ต่อไปเราก็อยู่คนเดียวได้ มีคนนี้ได้สบายไม่ได้เป็นกระสอบทรายของใครแต่รู้สึกมักก็ลดลงนะแต่ว่าเราลดเขาไม่ลดนะน้องไมด้๋รอกเขาไปอยู่กับเราไม่ได้เขาก็ไปเองกู้ใหญ่ก็ได้มไม่ได้ไหมน้องใช่พี่น้องผู้ใหก็ใช่หลวงพ่อคะหวงพ่อถามนอกลู่นิดนึงการไปนรลกสวรรค์นี่เราไปแบบไหนคะการที่จิตเนี่ยวันนั้นหนูมีนิมิตฝันว่า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 มันหนังตัวอย่างเลยหลวงพ่อแต่ว่าในในหนังนั้นคือว่ามีแต่แบบคนโดนพอลามาโดนอะไรอย่างเงี้ยพมานตีสามไปนรกไปด้วเสียบไปมาแล้วหรอกฝันนี้ก็ฝันนี้ก็ไปสวรรค์ขันร้ายก็ไปนรกแต่มันเป็นเพียงเพียงความฝันมันมันไม่เป็นประโยชน์ของการตัดกีเลศอย่าไปสนใจเลยถ้ามันมาเองก็จะถ้าเรา ถ้ามันไม่ได้ก็ปล่อยมันมาแต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วมันมาเราก็อย่าไปสนใจแ ต, แต่เวลาเราหลับนี่เราห้ามไม่ได้ก็ปล่อยันไปแต่เวลานั่งสมาธิอย่าไปสนใจในรลกสวรรค์ให้สนใจกิเลสตัวเดียวสนใจว่าทํายังไงก็อะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสถ้าเป็นกิเลสทำมันยังไงดีเป็นจดจารมารวมขึ้นมานี่จะตัดยังไงต้องนั่งเฉอกับสุภาษิต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 ท่าใจาไม่มีธรรมะเป็นผู้ชายก็บวชไม่ได้บวชไม่บวชนี่อยู่ที่ว่ามีธรรมะหรือมีกิเลส e มันได้อยู่ว่าเป็นหญิงหรเป็นชายรูไ้ไหมนี้แ ห, หละเห็นร่างกายนี้ต้องไปดูของสามีบ่อยๆจะได้เบื่อ e จะได้หายหลง e จะได้หายหลง e จะได้บวชได้ <independently. S 1> สามีทิ้งก็จะได้ไปบวชได้เลย สงสารเขาจะทิ้งหนูหรอไม่เอาหรือไม่เอามัดขนไม่พานเลยเอาสามีแทนเอยากได้อยากได้ก็ทิ้งสามีเลยทีเราจะจาใยจะทิ้งลูกทิ้งเมียเลยเก็บไว้ทำไมเดี๋ยวเขาก็ตายจากเราแล้ว อยู่กัไปได้ส ก, กิบจมาก็อยู่กันไม่นานเรเอานิพานดีกว่าเม่เอเราเราจะไปก่อนเขาาไปก่อนเรานิท า, านนี่อยู่กับเราไปตลอดไม่เอาเดีย๋ยวนี้หนูคิดไว้ตลอดก่อนตายลูกเต้าเหมือนกันส่ ง, สงรถไปโรงเรียนเรียนให้ดีนะลูกและจิตมันจะไม่ไปว่าลูกจะเป็นยังไงว่ารถจะชนรถจะอะไรไม่ไปคิดตามะดีแล้วนะว่ามันแล้วแต่เวนตกรรมเชแสดงว่าฟงได้เยอะแล้วเนนิจจ์พยายามสอนเห็นนิจจ์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 อันเดนก็ไปได้ร่างใหม่เลยเหมือ น, ล, น, อ น, ล, นล้าเมาหลับก่อนแล้วก็น่แตืต่นขึ้นมาได้ร่างใหม่เติมล่างช่วงที่ตายไปเนี่ยมันก็จะฝันดีสันร่ายก็ฝันนีก็ไปสวรรค์ฝั น, นล้ายก็ไปนรกแล้วพอมาตื่นขึ้นมาก็ได้ร่างกายร่างยนีู้่ภาพไหนได้หรือทางน้นอไร่างใหม่ก็พย้ยามกดม อยู่หละพงมาครังแรกค่ะนอ่าหลวงพอหลายรอบค่ะไม่เคยเห็นหน้านั่งอยู่มุมบนใดตลอดเลยค่ะใกล้างันหาใช่ไมใกล้ถาค่ะตอนนั้นก็หนูเดินสมาธินะที่ถางหราก็่คิดว่าจิตมันรวมมันดูกระดูดแล้วก็โอ้ส้นนี่ก็พายยกเลยเราไม่ต้องยกของเปลี่ยนมันพาเองไงตัวเบาเบาสบายเดินได้ทั้งวันหนูว่าเเป็นกระสี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 องจริงเรืองอะไคนมาเล่าเนี่ยมันฟังรู้นะพูดจริงไม่จริงหนูรู้หนูหนูแบบหนูโดนแต่ตัวเองเพิ่งจะถามเป็นนะคะแต่การฟังนี่ฟังทุกเรื่องสารพัดแต่เราก็แต่สัตว์แต่ว่าฟังแต่เราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงตอนแรกครูบาอาจารย์บอกว่ามันยังงู้นยังงี้อย่างนั้นนะเราทำไมไม่เคยได้เออเราใส่ปากหนาเราใส่ปากหนาเรา พอทีนี้หนูรู้เลยว่าความเพียรเราหย่อนที่เราชอบไปอ้างบาปเลยครับ <laughs> <laughs> ชอบไปอ้างบบกรรมโทษกรรอย่างเดียวควา ม, ามเพียรต่ำนี่ตัวสาคัญ้วก็เลยว่าพระอา <laughs> จารย์ก็พยายามตกหัวเราเข้าทางอยู่นะ <laughs> แต่เราก็ออกนอกลู่จะ <laughs> ยอมไปด้สิหมอให้ไปเดินจงกรมก็ใหม่ไนั่งสมาธิก็ใหม่ไปนะทไไปชีนเนี่ยเราอยู่นะแต่ว่าเราไม่ปฏิบัติเลยท่านพยายามเนี่ยพระอาจารย์ ที้เนี้ยเหมือนระอนุรคกนะค่ะผก็เข้าใจว่าท่านอยากให้เราเดินตามที่ท่านเดินไปแล้วเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนดั้งสอนพวกเราอยู่เนี่ยค่ะเดินไปมันก็ไปถึงทุกคนแหลไม่ยอมเดินกันไปเองว่านะความเพียนต่ำเนี่ยทำเนี่ยความเพียนบาีอะไปแล้วอ้าวหนน้านี่ไม่ยอมทาความเทียนเลยทาอะไรอยู่อยู่ที่พัทยานี่เหรอ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 มหาวิจารย์หนูเพิ่งเคยมาช่วงเข้าพรรษาเมื่อกี้เข้าพรษาค่ะแต่ก่อนหน้านี้หนูก็ฟังหลงปูดสัวานหลงพอสนองค่ะแล้วก็สัญญาจะไปปวดที่ว่าท่านค่ะสถาปน์กาศสถาปน์กก่อนก็ไปไม่เป็นก็สรรหาโทรถามว่าไปไงอะไรเงี้ยคือเราสองหาค่ะถ้าไปเป็นก็มีเวลาก็ไปนี้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 นี้เรามีครอบครัวแล้วก็เออมีปัญหาครอบครัวมีลูกมีสามีแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าเราจิตคิดจริงจริงมันก็เป็นข้ออ้างปัญหาของตัวเราหนูก็เลยว่าเออปฏิบัติไปเรื่องมันยังไม่ถึงที่สุดตอนนี้เอาแบบเอาให้พ้นรมก่อนแล้วกันเออเีย่ไปทำบาปนะถึงห้านี้ให้ให้พอนเสรอจครบถ้วนครับยังไล่ไป เพื่อนมาเที่ยวหาค่ามึงจีนยอมตายอดี่ว่าทอมทำบาปถ้ายอมตายแล้วไม่ทําำบาปได้นี่แสดงว่าไม่ไปเกิดในบาลแน่ๆอย่างนี้มันลุขั้นต้นอย่างนี้อย่างก็เผาดาได้แล้วพยายามตายพยายามตายเพื่อรักษาสิ่งหนูเทียบเลยน่ะชีวิตเขากับเราก็คือหนึ่งชีวิตนะคะของเขาก็มีค่าเหมือนเราก็มีค่าเหมือนกันถ้าค่าเขาก็ค่าเราไม่ดีกว่า ไฟมีอะไรไหมถ่ายอยากได้หนังสือซีดีก็หยิบเาเนี่ย I have it. มันก็ทาได้ส kind of ิมันดีก็ทำไไม่ไม่ไม่ทางหมคือเหมือนเราเรารู้สึกว่ามีแสงสว่างยตรงที่ที่นักาวเก็เพ่ดูลสึกว่าเหมือนมีจิตรวมดีรวมดีก็ใช่ได้ก็ทำก็ทให้มันรวมรวมใจเเออไม่ค่อยดีก็มันไม่ต้องสี่สิอย่างให้เลือกอย่างไหนก็ได้เหมือนกับข้าวไม่ต้องสีสิบชนิดเนี่ย คุณอยากจะกินอไหนก็กินขอให้กินแล้วมันอิ่มก็แล้วกันแต่ต่อไปแล้วมันนจะเป็นแบบว่ามันก็ยังเข้าทานได้ใชามถึงว่าสมาธิอะมันทุกครั้งเราก็ไม่ต้องบอกเพ่งใช่ไหมคะแต่ครั้งแรก็แล้วแต่คุณทำให้มันไอ้มันรวมได้ยังไงวิธีไหนก็ทาเลย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 ร่างกายนี่มันเรามาเล่นเล่นเล่นกนให้เราดูเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หายอย่างเมื่อวานนี้เราก็สังเกตดูไปไปในบอรดนั่งประชุมกันตางปฏิโมกข์ก็จุดคู่สามดอกจุดเทียนะล้วพอสวนเสร็จมาดูคู่หายไปไหนแล้วเทียนหายไปไหนแลมันหายไปไหนเลยมันหมดไปแล้ว ร่างกายนี่ทำอไปก็อย่างงั้นแหละเดี๋ยวมันก็หายว่าไปแล้วจะ ไ, ไปไปยึดไปติดมันทําไมไปว่าเป็นตัวเราของเราทำไมให้ทุกข์ไปกับเปล่าเนี่ยปัญญาเมื่อมองนี้จะได้ปล่อยวางมันได้จะได้ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บกลัวเจ็บก็ต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็อยู่กับมันไปให้ได้ไอ้ที่มันทนไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกาย มันทนกับความกลัวจ้ะกลัวไม่ได้เวลากลัวแล้วมันเสียวหัวใจมันปวดหัวใจถ้าไม่กลัวมาแล้วไม่เจ็บละมันทนได้เอาให้ใจดีสู้เสือส<ฮะ>ใจดีสู้ความเจ็บไว้เอย่าไปกลัวความเจ็บเจ็บเหมือนเมื่อกี้หนูนั่งที่ลองไปจำคุยกับพ่อหน้าเออเหมือนเราเก่งเหมือว่าเหมือนเหมือนเก่งเขาถ้าลองวางมาสิวาง ทีนี้มันก็สบายอช่เราไปเก่งมันเองเราเก่งมันเหมือนมันหนักเออมัหนักไปไหมัรก็เลยว่าเราเก่งมันหรือเปล่าด้วยเอาลองวางซิหมนจะบอกนี้นี้มันวางมันก็อาจสบายนะทีนี้ทีนี้เราก็ฟังลมอ่ะสแต่ว่าลมผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอห้เป็นธรรมชาติเลยค่ะอย่างมาแล้วไปเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเย่าไปยึดอยวาไปติดยึดแล้วเวลาไปจะเสียใจถ้า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 ทีมันก็แวะคิดก็ถ้ามีปัญญาก็เอออย่าไปคิดเลยปิบัติไปมาถูกทางแล้วเดี๋ยวชาตินี้ได้หวนเน่าทานบอกลูกหนูนะรูกสาวสองคนบอกว่าไม่ต้องมีข้มคอหรอกลูกเอ้ยมันมันทุบมันยากมันลากพอผู้ชายเเื่มันอยู่กับเราเนาว่างี้หนูคิดแล้วว่าหนจะมีถ้ามีก็ควแล้วจะได้เหมือนพ่อเราอ่ะเออว่างนี้ แล้วแม่ไม่เสือกองตระกูลหรือลูกหลานบอไม่เป็นไรลูกถวายวัดไห้หมดเลยนุแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะฟังเราไม่ฟังเราไม่รู้เวลาคุยนไปใช่ห้ก็คิดให้เขาคิดาสนเขาไปค่ะให้คิดสอนแล้วถึงเวลาเขาจะได้คิดได้สะสม่ีดีก้อนเขาต่อไปเขาจะรู้ว่ามีทางอีกทางหนึ่งไปได้ไม่ต้องไปทางนี้หรอกไม่ต้องไปมีหัวมีลูกหรอกค่ะ ทางไม่มีผลไม่มีร่องแบบแสนจะสบายไม่ไปเลยหนูว่าถ้าหนูพ้นเจอธรรมะไวกว่านนี้นะหนูก็คนเจะไม่ได้สร้างทางน้ำหลบบ่อไปสร้างบุญอย่เดียวหน่อยเมื่อก่อนนี่หนูก็่เย็บผ้านี่หก้มหน้าใส่จับหัวฟูเป็นเดี่ยวเพิองแบบใครไปไหนก็อาัยก่อนเถอเรานี่เยอะเรายังไม่ไปเรายังไม่ไปนี่เยอะนะลูกค้าลูกค้าจะมอผ้าไม่เจอก็ปวด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 บเหน็กิเลสนะคะอยากได้ล้วอยากได้บ้านก็มีซื้อบ้านอยากได้รถก็มีซื้อรถค่ะแต่ว่าบุญนี่ถ้าตายไปชาติหน้าไม่ได้สร้างนั่นหราว่าจะพอทานเนี่นาครับถ้าบนนี่เป็นอาจารย์ได้ครเราได้เลยมีแววเลย ลูกสินหนูมาเยี่ยหาเยอะเลยเพื่อนมาเยี่ยหาให้เลยเอาอย่นเอาธรรมะมาสอนอีอครบแล้ววไม่เสียหายหรอกพูดแก่ดีเรามันมีบุญเก่ามาสองนนี้อ่จะหนูว่าเกิดในตระกูลที่ยากจนนะแล้วก็ดีถ้ารวยแล้วมันจะหลง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 การสู้ชีวิตนี่ทำให้เรามีได้อถึงแม้ว่าหนูว่าจบแค่ป .6 ค่ะเพราะว่าคนจนแต่ปัญญามันเหนือป .6 ถ้าจะมีบนเก่ารู้เหตุรู้คลนี่ปัญญารู้ตนรู้บุคคลรู้กาลเทศะรู้ประมาณรู้สังคม อย่าไปพูเมันบ้าเลยอย่าไปบ้าสนใจอะนอยู่ในขั้นหนูรู้แต่ว่าหนูดูตัวหนู่งไหนแล้วขอให้ข้ากเลได้ก็พอข้นไหนก็ได้อย่าไปบ้าไงโดาโสดาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลงไปใหญ่เลยหลง่ะแบบขั้นไหนแล้วหลงอยู่ในชาในยานในอะไรหนูไม่เคยสนใจหรอกคนปฏิบัติไม่สนใจหรอก ความไม่ปฏิบัติชอบสนใจไม่ใช่รู้แต่ว่าวันนี้เราสงบเปล่าเอ า, เอาใจให้พอนะเดี๋ยวจะกลายเป็นทําเมาไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ยะถาวะวิวะหาภูลาปาริภูรเรงติสาขางเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปตะปติ อิทิตังปัตติตังตุมหังทิปมะเมวะสมิจโตุสัาเพตุเรนโุตังกะปายันโถปะนะวะโสยะถานานิสโสโสติยุระโสยะถาสัพพิปโยวิวัชันตุสัพพะโลโควีนัสโตมาเตภวะตุนจราโยสุขีทีพายุโกภวะ <c oughs>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 ปฏิบัติให้ได้ทาําำะเดี๋ยวก็มีคนมาทําบุญม <c oughs> ันไมก็พวกนัก้นบวชก็อยู่กันได้ไงเขาก็อยู่ได้เพราะเขามีนก็มีธรามพมีธรรมแล้วก็มีคนศรัทธาเราจะไปหาคนไม่มีธรรมหรือเปล่าเวลาเราไปทําบุญเราไปทําบุญกับโจนหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วไปทำบุญกับพระไปทําบุญคนดี ไ ม, มไม่มีไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาเลยเลยแต่การปฏิบัติมีมั้ย <c oughs> ก็วถ่ายความเพียรปัญหายากปัญหาหนักที่สุดก็คือความเพียร <c oughs> ความหลงคิดแต่เริ่มดพี่อาจาร์ก็มันเป็นโง่โง่นะคะอะไรไม่ค่อยออกยังคุยกันโยกเลยว่าเป็นโง่โงยังไงไม่รู้ก็เอาสังเอาการสังเกตสองไปเลย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 มั็นตเป็นล่างขึ้นมาก็เลือดน้ําเนื้อ อ, อาหารที่อยู่ในเลือดอะไรมันก็เจริญเติบโ ต, ตเป็นอาการต่างๆขนผมเป็นขนเล็บฟันอะไร<ม>พอกออกมาจากท้องมันก็กินข้าวต่อหายใจต่อกินน้ําต่อมันก็โตขึ้นไปเรื่อยๆกศึกษาดูสิเนี่ยถ้าอยากใช้ฉลาดต้อง<ม>ต้องวิเคาราะห์ไงเหมือนกับพวกที่เขาทําวิจัยต่างๆปัญญาก็คือการวิจัย